เมื่อวานกับวันนี้นะมีแลกเปลี่ยนกับผู้ปกครองโรงเรียนรุ่งอรุณมาเยอะเมื่อวานมีคนยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการว่าพระมาาล้วเข้าสาราไม่ได้ที่จริงน่าจะทำใจนะเข้าไม่ได้อยู่เรื่อยๆแหละมีทุกวิตจันล้วก็มีคนเข้าไม่ได้ ขยายศาลานก็ไม่มีที่และวทำศาลาสองชั้นนะก็ไม่ถูกวินัยสูงกว่าคนเทนไ์ม่หลวงพ่อต้องไปนั่งบนหนุมก็ <c oughs> ทำสองชั้นที่จริงแล้วการเรียนธรรมะนะฟังยูทูบให้มากๆาหน่อยแล้วดูของจริง ในใจตัวเองเวลาหลวงพ่อออกไปนอกวัดนั่งรถไปีไปไกลๆไปทุระจังหวัดโน้นจังหวัดนี้เห็นคนตามข้างถนนบ้างตามร้านขายข้าวแกงบ้างอะไรบ้างเห็นหน้ากรู้นะว่าเขาฟัง y ยู t ท b e เพราะว่าภาวนา ถาจิตมันมีสมาธิถูกต้องเนะี่มันไม่เหมือนมนุษย์ปกติหรอกมันสว่างไสวแต่ว่าไม่ได้สว่างแบบนิมิตนะมันเป็นความผ่องใสจากภายในในความผ่องใสนีถ้าผ่องใสมากพอนะั้นภาวนาดีมากพอนะั้นมันอฟอกฟอกกระดูกได้เส้นผมกระดูกเนะี่ยมันฟ อ, อกเปลียนเป็นแก้วได้ แต่เราไม่เอาสิ่งนั้นมาวัด <c oughs> เราไม่เอากระดูกกระดูกอะไรมาวัดบอกว่าภาวนาดีหรือไม่ดีไม่ใช่หลักสูตรของพระพุทธเจ้านั่นเป็นผลพลอได้หลักสูตรของพระพุทธเจ้าจริงๆก็คือเราเหลือกิเลสอยู่แค่ไหนเราเข้าถึงความบริสุทธิ์ของจิตใจได้แค่ไหนเรนเราภาวนาเนี่ย เพื่ออะไรเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นพ้นจากอะไรพ้นจากทุกข์ทั้งปวงมุ่งไปสู่ตรงนี้ถ้าภาวนาลรวก็อยากเด่นอยากดังอะไร น, นี่ต่ำต้อยมากอยากมีชื่อเสียงนะต่ำต้อยห่างไกลจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าอยากมีศีลที่ดีนะ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 เมื่อหมดความยึดถือในรูปรธรรมนามรธรรมที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราของเราเนี่ ย, ยงั้นเราจะต้องภาวนาเนี่ยมุ่งมาตรงนี้ไม่ใช่มุ่งอย่างอื่นถ้ามุ่งอย่างชื่อเสียงลาบสักการะอะไรเนี่ยนะยังห่างไกลสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมาก อย่างถ้าภาวนาไม่ไม่ถูกนะภาวนาถูกเหมือนกันแนหะแต่ถูกไม่มากถูกในขั้นต้นแล้วมันเกิดวิปสัสโนไปกิเลสขึ้นมาพวกวิปสัสโนไปกิเลสเนี่ยบางทีมันอยากใหญ่โดยไม่รู้ตัวนะอยากเผยแพร่อยากสอนรู้สึกมีความคิดความเห็นอะไรมากมายอันนี้เป็นลักษณะของพวกที่ติดวิปสัสโนอย่างหนึ่ง รู้สึกว่าจิตของเราว่างจิตเราบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็คิดว่าเอเป็นพระหันหรือเป็นพระอรียะชั้นสูงนี่เป็นผลงานของวิปัสสโนภิกลุพวกนี้จะอยากสอนอยากสอนอยากดังอยากมีสาวกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยวิปัสสโนมีหลายแบบนะมีทั้งสิบอย่างที่ มีความรู้เยอะรู้หมดเลยอยากรู้อะไรก็รู้หมดเลยแต่ก็ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ทำให้ตัวเองบริสุทธิ์หลุดพ้นจริงตัวเองก็ยังอมกิเลสซ่อนกิเลสอยู่ข้างในมองไม่ออกใช้ไม่ได้เน้นที่เราภาวนานะเราภาวนาไปมุ่งไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นของจิต จิจบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เราต้องเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงพุทธเจ้าบอกว่าเพราะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงจึงเบื่อนายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วถ้าจะมีสร้อยวารีต่อนะอว่าชาติสิ้นแล้ว พรจาจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกนะิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพนไม่มีอีกจะมีวรลีต่อท้ายแสดงถึงความเห่าหารของจิตใจกิจชาติสิ้นแล้วชาติคือความเกิดอะไรที่เรียกว่าความเกิดคือการที่จิตหยิบฉวยตาหูจมูกเล่นกายใจขึ้นมาเรียกว่าชาต ชาติคือความได้มาซึ่งอายตนะตาหูจมูกเล่นกายใจพวกเร า, าก็ยังไม่เคยเห็นชาติจริงๆหรอกนะต้องภาวนาขนาดนาสาหัสนะเราจะเห็นว่าจิตนี้แหละไปหยิบตาหูจมูกเล่นกายใจขึ้นมาพวกเราบางคนนะน้อยคนออกที่เห็นมองเห็นไหมจิตไปหยิบตาขึ้นมาเคยเห็นไหมเวลาเราจะดูรูปนะจิตจะไปหยิบตาขึ้นมาใช้งาน พอมันเลิกดูรูปมันก็วางตาลงไปเวลามันจะฟังเสียงมันก็หยิบหูขึ้นมาใช้งานนะเวลามันจะคิดมันก็หยิบใจขึ้นมะาใช้งานภาวนาไปถึงจุดหนึ่งเราเคเห็นนะจิตมันวางจิตลงไปจิตมันวางจิตนะแล้วมันก็หยิบจิตขึ้นมาใช้อีกหยิบบ้างวางบ้า ง, างนะตัวนี้เรียกว่าชาติชาติคือความได้มาซึ่งอายตนะ ตาหูจมูกลิ้นแก่ใจจะไม่ได้ได้ที่ละหกงานหรอกนะชาติมันมีสองชาตินะมันมาจะกภพมันก็มีสองภพภพอันหนึ่งพบโดยการเกิดนะอย่างเราพวกเราได้ชาติโดยการเกิดก็มีอย่างคือเรามีตาหูจมูกลิ้นแก่ใจครบชุดนะแล้วก็มันมีภพเป็นกรรมภพการทํางานของใจเป็นขนาดขนาตอนที่มันทํางาน ด้วยใจมีพบทางใจเกิดขึ้นนะมันหยิบฉวยอายตนะทีละอันมันจะไปดูรูปมันก็คว้าเอาตาให้มายึดตาไว้มันจะคิดมันก็คว้าจิตขึ้นมาเนื้อชาติสิ้นแล้วคือจะไม่มีการหยิบฉวยขึ้นมาอีกลไม่มีการหยิบฉวยตาหูวจมูกเลี้ยกายใจขึ้นมาอีกไม่มีตั้งแต่ปฏิสนธิจิต ไม่มนะีแต่ปฏิสนธิจิตจิตดวงที่ทําให้เกิดไม่มีจิตดวงที่ทําให้ตายก็ไม่มีถ้าภาวนาถึงขิดสดุดเหมือนพ้นจากความเกิดพ้นจากความตายพ้นจริงๆอันนี้ยากไป น, นิดหนึง่งบางคนภาวนาเก่งมานั่งหนาหนามีหลายคนทํามะมันก็เลยเบลอไป น, นิดหนึ่งยาก พวกซองกอะไรพวกนี้กระสานฟ้าอะไรพวถ้าเราภาวนาถูกต้องนะมันเป็นไปเพื่อลดละกิเลตเราจะลดลาะกิเลตได้นะต้องเห็นกลตามความเป็นจริงเห็นใจตามความเป็นจริงพอ เ, เห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจะเบื่อหน่ายใครความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นหลุดพ้นแล้วก็จะรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนี่เป็นเส้นทาง ที่เราจะต้องฝึกกันเพราะฉนั้นจุดสำคัญที่สุดที่จะต้องฝึกให้ได้ก็คือการเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงการเห็นใจกายเห็นใจตามความเป็นจริงนะั้นมีสัพท์เฉพาะเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะลาพังการทาทานศา ส, สนารื่นเขากอย่างมุสลิม น, นะถึงปีก็มีพิธีสกัการหมายถึงคนซึ่งมีไรายได้นะจะต้องแบ่งส่วนหนึ่งให้กับสังคม นี่กการส ก, กัด น, นี่ก็คือทานศีลนศะีลนะแต่และศาสนาเขาก็มีศีลอย่างของเขานะพอเหมาอพอดีกับของเขานะแต่สังคมของเขาสมาธิก็มีกันทุกศาสนาแนะสมาธิอย่างศาสนาคริสต์นะถึงวันอาทิตย์ก็เข้าโบสถ์ไปร้องเพลงไปเลยคิดถึงพระเจ้าร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า นั่นก็คือสมาธิอย่างหนึงน่งเรียกว่าเทวตานุสติหรืออย่างมุสลิมปันหนึ่งเขาทําสการเอ้ไม่ใช่ละหมาดห้าครั้งละหมาด ก, ก็คือคิดถึงพระเจ้าส่วนมนุ์คิดถึงพระเจ้าวันละหครั้งเก่งกว่าพวกเราชาวพุทธนะเราชาวพุทธอย่างมากก็ไหว้พระวันละครั้งก่อนนอนบางวันขี้เกียจมากก็ยกมือไหว้พระแล้วบเหมือนเมื่อวานค่า ก็นอนช่วยตั้งชื่อให้หน่อยช่วยช่วยเนี่ยเรื่องสมาธินะคนอื่นเขก็มีการทำทานการถือศีลการทำสมาธิคนอื่นก็มีแต่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่เป็นศาสตร์เฉพาะในพระพุทธศาสนาศาสนาอื่นไม่มีแต่ตอนนี้เขาเริ่มเรียนแล้วนะ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 องความรู้นี้ท่านอยากให้สัตว์โลกได้เรียนรู้ถ้าได้เรียนรู้แล้วเขาพ้นทุกได้นั่นคือเจตนาของท่านนะที่สะสมบารมีมาที่ช่วยให้สัตว์โลกพ้นทุกท่านไม่ได้อยากได้สาวกเยอะๆนะไม่ได้อยากมีชื่อเสียงเนี่ยใจของคนที่บริสุทธิ์นะ่จะเป็นแบบนั้นถ้าใจยังหิวสาวกนะั้นไม่ใช่หรอกแย่งกันสาวกอนะไรงไม่ใช่ นี้เราจะเรียนรู้วิปัสสนากรรมฐานได้ยังไงเราจะเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจนะกายใจที่ควรเรียนคือกายใจของตัวเองของคนอื่นทําวิปัสสนาได้ไหมไดนะ้แต่ทํายากอย่างเราไปดูกายของสาวๆอย่างแทนที่จะเห็นความจริงนะเกิดเบื่อนายคลายกำหนัดนะมันยิ่งกำหนั่มากกว่าเก่าอีกนะแต่ดูกายของตัวเองลงมาสิกาหนั่ไม่ออกหรอก สวยแค่ไหนดีแค่ไหนตื่นนอนมาแล้วดูกายเลยนะหน้าตาเหมือนข้าวมันไกนะ่เหมือนเนาไก่มันๆมโลมหน้าไว้เงี้ยนะมันสวยมันงามตรงไหนเนะี่ยถ้าเรามีความรู้สึกอยู่ในกายนะันมันรักไม่ลงหรอกนะกายเราเต็มไปด้วยขี้ตั้งแต่ขี้หัวึนขี้ตีนมีส่วนไหนที่ไม่มีคำว่าขี้บ้างมีอยู่คำเดียวหรือยเยี่ยว ต้องนึกขี้ทั้งนั้นเลยขี้หัวขี้หูขี้ตาเห็นไขี้มูกขี้ฟันนี่สารพัดขี้อยู่ในนี้ขีเงื่อขี้ใครขี้เต่าสารพัดขี้ขี้จริงๆขี้มือขี้ตีนขี้เล็บสารพัดเลยมีสติเรียนอยู่ในกายนมันไม่สวยมันไม่งามจริงหรอ แล้วมันสุขหรือมันทุกข์ร่างกายเนี้ยดูให้ดีนะมีสติอยู่กับกายเห็นร่างกายนี้มีแต่ทุกข์นะไม่ใช่มีสุขมากเลย น, ะนั่งอยู่ก็ทุกข์นั่งอยู่แล้วเมื่อยไหมนั่งอยู่แล้วก็ทุกขนะ์เดินก็ทุกข์นะเดินมากๆกก็ทุกข์นอนมากๆก็ทุกข์เนกะิด อ, อะไรขึ้นใครเป็นส่วนว่ามันตั้งนาฬิกาทุกไว้ในนี้เนี่ยร่างกายมันเต็มไปด้วยความทุกข์นะ ใครรู้สึกอย่งเรานั่งอย่างเงี้ยนึกว่าสบายเหรอนั่งสภาพัก็ปวดก็เมื่อยนะเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่กับร่างกายนะเรียนรู้ความจริงของร่างกายเราเห็นความจริงของร่างกายมันไม่สวยไม่งามมันไม่สุขจริงหรอกมันไม่เที่ยงมันเที่ยงไม่ได้เพราะถ้ามันไม่เคลื่อนไหวไม่เปลี่ยนแปลงมันจะทุกข์จนทนไม่ได้มันไม่เที่ยงหรอกร่างกายที่หายใจออกอยู่ช่วคราวแล้วก็หายไป ร่างกายหาใจเข้าอยู่ช่วคราวแล้วก็หายไปร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยๆมันไม่เที่ยงหรอกแต่ละอย่างทําไมมันไม่เที่ยงเพราะมันถูกบีบคัน้นทนอยู่ไม่ได้มันปวดมันเมื่อยมันเจ็บอยู่ตลอดเวลาอย่างพวกเราเนี้นั่งให้สบายนั่งไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็ไม่สบายแล้วมันหิวนั่งกายมันกต้องการหาอะไรใส่ปากขึ้นมาแล้วเหน็ดเหนื่อย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 เรากินเป็ดกินไก่กินหมูนะกินผักอะไรพวกนี้สิ่งเหล่านั้นก็มาจากแผ่นดินนะมาจากวัตถุธาตุของโลกเรากินกินเ ข, ข้ามานั้นนะมีตัวโตๆเดี๋ยวก็ขับถ่ายออกไปคืนให้โลกไปบางส่วนนะถึงจนดนึงก็ตายแล้วก็คืนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับโลกไปเนี่ยร่างกายไม่ใช่ตัวตนอะไรที่แท้จริงนะอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็สลายไปเนี่ยพราเรามีสติ เรียนรู้ความจริงของร่างกายเราเห็นร่างกายเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มไปด้วยความทุกขนะ์เต็มไปด้วยความจริงที่ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเห็นอย่างนี้เรียกเห็นตามความเป็นจริงนะมันจะเบื่อหน่ายรู้สึกร่างกายนี้มีแต่ภาระนะจะเห็นร่างกายเป็นภาระมากมายตื่นนอนมามีภาระในกายเท่าไหร่นึกออกไหมตื่นนอนมามีภาระในร่างกายนี้ทาอะไรบ้าง อย่างนี้ไม่แปลงการบิดขี้เกียจนอนนานเมื่อยนะหรือนอนอยังไม่พอโอ้ยไม่อยากจะลุกเลยนะบิดไปบิดมาภาระลุกขึ้นมาตันะขึ้นมาแล้วก็ต้องเก็บที่นอนหรือไม่เก็บเอาเท้าคุยคุยคุยแบบหมาก็เดินไปนะถ้าจะนอนก็มาเอามือคุ ย, ค, ย, ค, ยคุยคุยแล้วก็ลงนอนนะ ออกแบบหมาแบบแมวเนะื้อพาล่เยอะแยะเลยไป็ขนะ้าวส้วมเป็นพ า, าละนะ่าอาบน้ําแปลงฟันพาราทนั้นกินข้าวเป็นพา ล, ล่าไม่กินพาล่าของกายหรือของใจใครเป็นคนกินข้าวร่างกายกินข้าวแต่ใจอะเบื่อกินทุกวันเลเมื่อไหร่จะเลิกเบื่นะอ น้ำพริกถ้วยเก่าเบื่อเต็มทีแล้วรู้จักไหมจเ น, น, นินนี้ใครไม่รู้จักลองมือซิเป็นคนสมัยใหม่หรือคนต่างประเทศไม่จะเป็นต้องรู้จักทุกอย่างหรอกรู้กายรู้ใจไปเนี่ยต้องมีสตินะรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆไม่จะเห็นความจริงของร่างกายร่างกายเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา รากายนี้เป็นภาระตรงที่รู้สึกเป็นภาระนี่รู้สึกถึงความทุกข์มันเป็นทุกข์ของมันจิตใจล่ะจิตใจก็เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงมีสติรู้ทันใจของตัวเองไปได้ใช่เห็นนะจิตใจเข้าไปของไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุง้งซ่านเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าตื่นลงไป เราจะเห็นใความรู้สึกนานาชนิดนะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ในใจเราตลอดเวลาเราดิานะด้นรนอยากได้ความสุขนะดิ้นรนอยากได้ความสุขพอได้ความสุขมาเนะี่ยความสุขอยู่ประเดี๋ยวเดียวความสุขไม่เที่ยงอีกละต้องดิ้นรนใหม่ดิ้นรนอย่างอยากมีแฟนสักคนหนึ่งนะเป็นผู้หญิงอยู่มานานแล้วกลัวจะต้องไปอยู่ที่เชนใหม่มีหมู่บ้านหนึ่งนะ ชื่อดีด่คานทองนิเวศนะ <c oughs> นะชื่อหมู่บ้านเนี้ยฟังแล้วสะเทือนใจนะอยากมีแฟนสักคนนะทีแรกก็สเปกสูงนะต้องรอต้องรวยต้องมีการศึกษาต้องอย่างนั้นอย่างนี้สเปกเยอะมากเลยพออายุใกล้เลขสามก็ลดสเปกลงหน่อยหนึ่งนะไม่รอก็ได้ขอให้รวยก็แล้วกันนะ ้ะฉลาดหน่อยลูกจะได้ฉลาดพอายุจะเลขสนะี่นั้นเอารวยอย่างเดียวก็พอแล้ะโง่ไม่เป็นไรโง่ก็ดีปกครองง่ายลดสเปกนะพออายุห้าสิบนะไม่หลอไม่รวยไม่ฉลาดก็ไม่เป็นไรอ่ะนะอยู่เป็นเพื่อนกันดีกว่าเลี้ยงหมาอยู่คนเดียวเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนะนี่ยความต้องการมันเปลี่ยนนะเพราะมันยังไม่ได้ไม่ได้นา น, า น, าน แต่ถ้ามันได้ความต้องการก็เปลี่ยนอยากได้เยอะขึ้นมีเมียหนึ่งคนอยากได้คนที่สองคนที่สามอะไรเงี้ยมีเงินมีรถยนต์สมมติมีรถยนต์นนตทีแรกมีรถจักรยานอยากได้มอเตอร์ไซค์ได้มอเตอร์ไซค์แล้วอยากได้พิกหน้าอยากได้รถเก๋งสุดท้ายแม่อยากได้รถลิมูซีนยาวหลวายวาขับไม่ได้หรอก ที่จริงอยากได้รถยาวๆไปขับรถไฟซะทั้หมดเนื่ยเ <c oughs> ความอยากมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆเงินใจเนี่ยมันไม่เคยมีความสุขที่แท้จริงมันถูกความอยากบีบคั้นอยู่ตลอดวันตลอดคืนเดี๋ยวก็อยากโน่นเดี๋ยวก็อยากนี่ตลอดเวลาใจเลยเต็มไปด้วยความทุกข์เวลามีความอยากเกิดขึ้น คนซึ่งภาวนาไม่เป็นนะคิดว่ามีความอยากแล้วไม่สมอยากจะทุกข์นะแต่ถ้าเราภาวนาเป็นระยะพบในแค่มีความอยากเกิดขึ้นใจก็ทุกข์แล้วใครเห็นตรงนี้บ้างทุกครั้งที่มีความอยากใจจะถูกบีบคั้นใจทุกข์แล้วเนี่ยเฝ้าเดียวเฝ้ารู้ลงไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นในทุกอย่างในจิตใจเราเนี่ยเป็นของโชคราวหมดเลยความสุขที่เราอยากได้นะก็เป็นของโชคราวพอได้มาแล้วนะแป๊บเดียวเองนะอยากได้อย่างอื่นแล้ว ความสุขที่ได้มาเนี่ยหมดคุณค่าไม่สนใจแล้วนะเหมือนอย่างเราอยากได้แฟนมานะได้มาแล้วแต่งงานแล้วพอมาอยู่บ้านเนียมันเคยชินนะมันไม่มองแล้วอย่างเราอุตสาหเป็นผู้หญิงนระอุตสาห์แต่งตัวสวยแถเนี้ทําผมมาใหม่คิดว่าแฟนเราจะทักมองหน้าเราพลาดนะเหมือนเห็นเก้าอี้ตัวหนึ่งใครเคยระจญปัญหาถึงจุดนี้แล้วบ้างในชีวิตมีไหม หมอนาลียกก่อนเลยหมอทรงยศกลับตัวหน่อยนะแล้วหมอทรงยศเคยแต่งตัวหล่อแล้วอรยาไม่มองบ้างไหมมีเหมือนกันเห็นไหมล่ะเสมอภาพเนี่ยพอมันจำเจนะไอ้ของที่ว่าแหมดีดีนะใลเป็นของเพลนงเปลนไปไม่น่าสนใจใจเราแตหากเปลี่ยนใจเราเปลี่ยนไปนเรย ความโศกที่อุตสาห์ดิ้นรนหามาแทบเป็นแทบตายนะอยู่กับเราแป๊บเดียวเองกลายเป็นเฉยๆยอยู่ไปนานกว่า น, นั้นนะกลายเป็นหน้าลำคาญใครลำคาญสามีบ้างยกมือมอนาลีไม่ต้องน ะ, นะเดี๋ยวมอสุงยกเสียใจใครที่สามีไม่มาวันนี้แล้วเบื่อสามีรู้สึกหน้าลำคาญมีไหมมี มีหน้าห น, นีม่อยู่วัดตลอดเลยไม่เคยอยู่บา้านเลยนะเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้เห็นไหมว่าความสุขมันสั้นความสุขนะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ความทุกข์มันก็เหมือนกันนะความทุกข์มันก็สั้นเหมือนกันความทุกข์เรารู้สึกโอ้ยเ้าอกหักนะเราทุกข์ตั้งนานทุกข์ตั้งหลายปีไปแล้อกหักแต่ว่าในความเป็นจริงเนะี่ยมันทุกข์ตอนที่คิดเท่านั้นนะ อย่างเรากำลังอกหักอยู่นะแล้วก็มีหมาบ้าวิ่งมาใส่เราเราตกใจกลัวหมาบ้าขณะนั้นไม่ได้คิดเรื่องอกหักนะคิดเรื่องหมาบ้าสภาวะอกหักนะ่ะหายไปในขณนะนั้นนะนะเกิดสภาวะกลัวหมาบ้าแทนนะความทุกข์ก็อยู่ช่วคราวนะความทุกข์เกิดตอนที่เราคิดเท่านั้นแหละความทุกข์ในใจนะถ้าเราไม่ลงคิดไม่ลงไปอยู่ในโลกของความคิดไม่ทุกข์หรอก ความสุขก็อยู่ชัว่วคราวความทุกข์ก็อยู่ชัว่วคราวเนี่ยเราเรียนรู้ความจริงนะใส่เกตใจไปใจสุขก็ชัว่วคราวใจทุกข์ก็ชัว่วคราวในที่สุดที่จะเห็นวนะ่สุขก็หาสาระไม่ได้เพราะมันชัว่วคราวความทุกข์ก็ไม่ได้ว่าน่าเกลียดชังอะไรเพราะมันก็ชัว่วคราวทุกอย่างในชีวิตเราที่ผ่านเข้ามานะเป็นของชัว่วคราวนี้พอใจเรามาเห็นถึงจุดนี้แล้วนะใจจะเข้าสู่ความเป็นกลาง แจนจะเข้าสู่ววามเป็นกลางมันจะเห็นเลยว่าความสุขก็หาสาระไม่ได้หน้าเบื่อนะความทุกข์ก็ไม่มีสาระหน้าเบื่อเหมือนกันสุขทุกข์เสมอกันเวลามีความสุขไม่หลงยินดีเวลามีความทุกข์ไม่หลงยินรายใจอยู่ในระนาบเสมอกันไม่ก็เพื่อคขึ้นไม่ก็บเพื่อลงเห็นคลื่นไหมคลื่นก็เพื่อนนีหพวกเราเคยเห็นคลื่นวิ่งเข้าฝั่งไหมมีคลื่นวิ่งเข้าฝั่ง เราพ่อเได้สังเกต น, นะอย่างเรือหางยาวมันวิ่งนะเราอยู่ริมคลองเราเห็นลูกคลื่นวิ่งเข้าฝัง่งนี่แนะเป็นภาพลงตานะที่จริงคลื่นมันยกตัวน้ํามันยกตัวอย่างนี้วิธีสังเกต น, นะถ้ามันมีเศษผงอะไรลอยอยู่ในน้ำนะํำเราจะเห็นวนะ่ามันอยู่ที่เดิมแต่มันยกขึ้นยกลงเนี่ยจนะมันถ่ายทอดพลังงานออกมามเลยดูเหมือนคลื่นวิ่งเข้าฝั่งได้อันนี้ก็เป็นภาพลงตานะ ไม่ใช่ของจริงหรอกนี่เราต้องดูจิตใจเรานะเราจะเห็น่ความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวและจิตเราจะราบเรียบสงบนะมีความสุขเกิดขึ้นก็ไม่หลงทองขึ้นมามีความทุกข์เกิดขึ้นไม่แฟกลงไปใจสงบใจมีความสุขมีสันติสุขเกิดขึ้นเพราะ น, นเราพยายามพักเพียนภาวนานะ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 อย่างเราอยากฟังเทศเนี่ยจิตดีนะพราพ่อเทศไม่เลิกเนี่ยจิตจากกุศลเนี่ยเปลี่ยนเป็นโทสะพระบ้าเลยว่าพูดไม่เลิกกูหิวข้าวแล้ว เ, เนี่ยจิตเรานีกลับกรอบความดีก็ไม่เที่ยงความชั่วมันก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงทุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดงั้นถ้าเราปฏิบัติเพื่อให้าความสุขความสงบความดีแล้วก็ไม่มีวันเข้าถึงธรรมะที่แท้จริงได้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 ธรรมดานั้นเราจะเรียนจนเข้าถึงความเป็นธรรมดานะเราเห็นร่างกายเนี่ยธรรมดาของมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอเราเข้าใจธรรมดาตรานี้พอมันแก่มันเจ็บมันตายจิตเราไม่วันไลเรารู้ว่าธรรมดาของจิตใจนะมีสุขบ้างมีทุกบ้างเป็นกุศลบ้างกุศลบ้างสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้าง ต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจก็ไม่หวันห่นไหวจิตเจราบนะครูบาอาจารย์บอกมันราบเป็นหน้ากลองเลยตรงนั้นมันมีปัญญาที่เรียกว่าสังขารู้เปกขายาจิตเจราบเป็นหน้ากลองลไม่กระเพือมสักว่ารู้ว่าเห็นสภาวะตรงนั้นเป็นประตูของการบรรลุมรรคผลนะย้อนเราค่อยๆภาวนานะเรียนรู้ความจริงของกาย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 ธรรมดามันเป็นยังไงกา้กับใจธรรมดามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราของเรานี่คือธรรมดาพาใจเข้าถึงธรรมดานะนะใจยจะไมกระเพื่อมมันไหวใจจะเป็นกลางในทุกทุ ก, ทกสภาวะโศกทุกข์ดีชั่วอะไรนี่เสมอกันหมดพอใจไม่ดิน้นรนนะหมดความอยากหมดความาหมวามิวโหยพอใจหมดความอยากใจก็พ้นจากภพเพราะตัณหาคือความอยาก ทำให้ใจสร้างภพเมืใจค้นจากภพก็เรียกว่าโลกุตตนะระโลกุตตะระใจพ้นจากภพมันมาจากใจสิ้นอยากนั่นแหลนะสิ้นอยากมันก็สิ้นการสร้างภพก็เป็นโลกุตตะระธรรมยังมีความอยากอยู่แม้แต่นิดเดียวก็ยังไม่สิ้นหรอกนะพอรู้เรื่องไหมเท่ยากไปไหมยาก นะถ้าไม่ได้ลงมือปฏิบัตินะถ้าลงมือรู้กายรู้ใจไปรู้สบายสบายไม่นานก็เข้าใจไม่ยากนะครับหลวงปู่ดูลบอกว่ามันยากสําหรับผู้ไม่ปฏิบัติการปฏิบัติไมนะไม่ยากมันยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติเพราะถ้าเราคอยรู้กายรู้ใจไปเรื่อยวันหนึ่งจะฟังสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเราจะพบประมาทสัจนะในสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยที่ดูล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 ภาวนาไปเรื่อยนะถึงจุดหนึ่จะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อพูดตรงๆเลยไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่าศาสตร์อะไรที่ลึกลับเลยเป็นของที่ตรงไปตรงมาจะประสานมันตอนมาบวชนะาสารภาพเลยได้ยินหลวงพ่อพูดมานานแล้วเพิ่งจิตปรุงกิเลสกิเลสปรุงจิตเลยเนี่ยเพิ่งจะเห็นสภาวะที่กิเลสปรุงจิตจริงๆโอ้โหหลวงพ่อพูดมาตั้งนานแล้วเพิ่งจะเข้าใจ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 อันนั้นเป็นความจริงเอาไปกินข้าวนิมนต์เลยครับเชิญกรรมการนะกับทีมคุณมาลี